พระวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระปอระราชาทินด harma าาที่ท่านจะเสด็จเป็นองค์ประธานพร้อมกับหม่อมหลวงชลาลีที่เป็นน้องสาวของพระองค์ท่านจะมาถึงที่วัดมาถึงเสด็จมาถึงวัดของเราสิบหกศูนย์ศูนย์นอคือบ่ายสี่โมง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 ใส่ถุงใส่หอ่อไม่ใช่เลี้ยงเฉพาะกิน เ, เลี้ยงให้ทั่วถึงน้ำก็เหมือนกันให้ช่วยกันดูไม่ใช่ต่างคนต่างขนไม่ใช่นะวอนน้ำของเราเนี่ยมันจะต้องได้กินทั้งวันแต่จะยังไงก็ถ้าไม่มีกินจริงจริงน้ำฝนของเราถังมักใหญ่ทางขวามือหลวงพ่อเนี่ยสองถังหลวงพ่อเตรียมไว้เตรียมรับคนเปิดก๊ก ดื่มเลยน้ําฝนสะอาดอล้างคาล้างสะอาดแล้วก็ปล่อยน้ําเข้าไปแล้วก็ปิเปปดเต็มแล้วก็ปิดเอาไว้ฮเพราะนั้นเรื่องน้ําำถ้าไม่มีจริงกันเนี่ยน้ำฝนของเราเนี่ยแหละแต่ว่าเรื่องอาหารช่วยกันดูพวกงานนี่เป็นงานที่อย่างพวกเราไปเคย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 วิชาของคุณพ่อที่เรียนให้ผมประสิทธิ์ประสาดให้ผมมันมีที่สิ้นสุดไหมพอ่อทั้งพ่อโอ้ยพ่อเดี๋ยวนี้ก็อายุเจ็ดสิบกว่าปีเอทั้งเรียนมาตั้งแต่เป็นหนุ่มแล้วก็มาเป็นก็ศึกษาสอนความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดลูกเอ็งมองหาตน้นหาปลายไม่เจอเลยวิชาความรู้เเดี๋ยวก็วิชานั่นเรื่องเรื่องนั่นเรื่องก็เรื่องนี้ช็อตซอนกันตลอด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 บอกกล่าวได้ที่สุดของวิชาทางสุสีมะที่เป็นเด็กหนุ่มนะก็ อ, อ, อยากจะใยในการเรียนรู้ใยในการศึกษาอยู่แล้วคนระับพ่อนะจากนั้นเขาดเดินด้นด้านเข้าไปอย่างที่พ่อเขาเคุณพ่อเขาแนะน อ, อพ่อเสียวแนะนำเหมื อ, อเนเพราะเป็นเพื่อนของพ่อเนะี่ย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 เออแต่ในคนโง่ท่นนี้พ่อของเมืองข้อของสุสีมะนี่เ ป, ปรตปเจกพุท ธ, ธานี่อยู่ที่เมืองตะกัิลาเนี่ยเอ๊ะทำไมลูกชายของเราหายไปนานทำไมจึงไม่เห็นกลับมาหายเงียบไปเลย เ, ยเราควรจะไปตามไปแหมพ่อเลยกร เ, เต๋เดินทางตามมาจากเมืองตกัิลามาถึงพาราทสีพอมาทราบข่าวว่าลูกชาย